บทที่19การเกิดใหม่ในบทที่แล้วมาข้าพเจ้าได้กล่าวว่าในขณะที่วิญญาณยังลงสู่การหลับที่เรียกว่าครั้งที่สองนั้นวิญญาณจะถูกพัดพาเข้าไปสู่เกลียวคลื่นแห่งกระแสของกรรมซึ่งจะทำให้วิญญาณถูกดึงดูดเข้าไปสู่การเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งส่วนการที่จะเกิดใหม่ในสภาวะแวดล้อมอย่างใดนั้น กสุดแล้วแต่ลักษณะาภายในของวิญญาณนั้นประการหนึ่งประกอบด้วยความผูกพันซึ่งมีมาแต่ดั้งเดิมของวิญญาณนั้นอีกประการหนึ่งทั้งนี้หมายความว่าวิญญาณที่มีความผูกพันอยู่กับผู้ใดมาแต่เดิมก็มักจะต้องไปถือกำเนิดในสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้นั้นหรือว่าเมื่อตนมีความโน้มน้อมอย่างใด แรงกำก็จะบันดาลให้ได้ไปเกิดในสภาวะแวดล้อมที่จะทำให้ตนได้แสดงความสามารถและความถนัดเช่นนั้นออกมาได้สะดวกซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามความปรารถนาหรือตัณหาของตอนนั่นเองแต่ก็มีวิญญาณบางประเภทเหมือนกันที่สามารถข้ามพ้นกระแสดึงดูดที่จะทำให้ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้ได้วิญญาณประเภทนี้จึงมีคติว่าจะต้องไปเกิดในภูมิทิศที่สูงขึ้นไปโดยฝ่ายเดียว ไม่มีวันที่จะกลับมาถือกำเนิดเป็นมนุษย์อีกอย่างไรก็ตามประเภทหลังนี้มีอยู่น้อยมากส่วนใหญ่ก็เป็นประเภทที่จะต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกทั้งสิ้นไม่ช้าก็เร็วเรื่องวิญญาณประเภทที่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกจะอธิบายในบทนี้ส่วนประเภทที่ไม่ต้องกลับมาจะบรรยายไว้ในบทต่อไปอันเป็นบทอวสานของเล่มนี้ ก่อนอื่นใกรขอให้ผู้ศึกษาทั้งหลายทําความเข้าใจไว้เสียก่อนในเรื่องของการให้ผลของกรรมคือโปรดอยากเข้าใจว่ากรรมนี้เป็นอะไรอย่างหนึ่งหรือใครคนหนึ่งที่ทําการให้รางวัลหรือลงโทษบุคคลตามระมวลกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งที่ได้ตราไว้โดยไม่มีความปราณีหรือลดย่อนผ่อนพันตั้แต่ยังใดที่จริงไม่ใช่เช่นนั้นเพราะกฎแห่งกรรมที่กล่าวถึงนี้ คือกฎแห่งเหตุและผลทางวิญญาณหรือทางใจอย่างแท้จริงซึ่งหมายความว่าถ้าเราถูกลงโทษในบางครั้งก็ไม่ใช่เพราะเราทำบาปแล้วจึงมีใครคนหนึ่งมาลงโทษความจริงก็คือกรรมชั่วที่เราได้ทำไว้นั่นเองเป็นตัวการลงโทษเราตามกฎธรรมชาติในทํานองเดียวกันถ้าในบางครั้งเรารู้สึกว่าเราได้รับรางวัลก็ไม่ใช่เพราะว่าเราทาความดี แล้วจะมีใครมาให้รางวัลแต่อันที่จริงกรรมดีของเรานั่นเองเป็นตัวการที่ให้รางวัลแก่เรากล่าวอีกในย่าหนึ่งการที่เราดูเหมือนว่าจะถูกลงโทษและได้รับรางวัลนั้น <c oughs> ก็เป็นเพราะสภาวะทางใจของเราเองที่เป็นต้นเหตุให้เราทำชั่วหรือทำดีและสภาวะทางใจหรือความโน้มน้อมของเราเป็นอย่างใด ก็เป็นผลมาจากความปรารถนาหรือตัณหาของเรานั่นเองดังนั้นความปรารถนาหรือตัณหาจึงเป็นตัวการที่ทำให้กระทากรรมและกรรมนี้ก็เป็นเรื่องนําให้เราไปสู่การเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆไม่มีใครถูกบังคับให้เกิดใหม่ ในตอนนี้อาจมีหลายท่านคิดว่าการที่บุคคลหรือว่าวิญญาณต้องกลับมาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์นั้นเป็นเรื่องของการถูกบังคับให้มาเกิดทัด้งทั้งที่โดยน้ําสใจจริงแล้ววิญญาณไม่ได้มีความปรารถนาเช่นนั้นเลยเนเรื่องนี้ข้าพเจ้าขอเรียนให้ทราบว่าไม่เป็นเช่นนั้นอย่างเด็ดขาดเพราะการที่บุคคลต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อยู่เรื่อยๆนั้ น, น, นก็เพราะความปรารถนาของเขาเองเป็นแรงผลักดัน ซึ่งกล่าวได้ว่าไม่มีใครต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกโดยฝืนความปรารถนาของเขาเป็นอันขาดเมื่อเขายังมีความปรารถนาซึ่งอาจจะซ่อนเร้นอยู่บางประการซึ่งไม่มีที่จะสนองให้เต็มที่สมใจได้นอกจากจะต้องมาเกิดในโลกมนุษย์เช่นนี้ก็เป็นอันไม่มีทางเลือกสำหรับเขาจริงอยู่เขาอาจจะไม่รู้สึกตัวเช่นนั้นและก็เถียงว่า ตนไม่มีความปรารถนาเช่นนั้นเลยแต่กฎของการดึงดูดก็เป็นกฎที่ทำงานโดยไม่มีข้อยกเว้นและเมื่อเขายัางยกจิตให้พ้นไปจากแรงดึงดูดของสิ่งยั่วยวนของโลกไม่ได้ mm. เขาก็จะต้องถูกกระแสดึงดูดหรือความทวงของโลกพัดพาให้กลับมาเกิดใหม่จนได้ไม่ช้าก็เร็วและการเกิดใหม่ก็จะได้สิ่งแวดล้อมซึ่งจะทาให้เขามีโอกาส ที่จะสนองความปรารถนาที่ตกค้างอยู่นั้นได้สมใจจนกระทั่งเกิดความชินชาแล้วระอาไปเองดังนั้นจึงมีหลักที่แน่นอนอยู่ว่าตราบใดที่ความปรารถนาหรือตัณหาบางประการแม้น้อยนิดเพียงไรยังมีหลงเหลืออยู่ในจิตใต้าสานึกแล้วมันก็จะต้องแสดงอำนาจของมันออกมาจนได้ในทางใดทางหนึ่งและในเวลาใดเวลาหนึง่ง ปัญหาดับด้วยวิปัสนาปัญญาอย่างไรก็ตามข้อความนี้ไม่ได้หมายความว่าความปรารถนาทุกๆอย่างของเราเราจะต้องสนองหรือป้อนให้มันได้สมใจอยากเสยก่อนแล้วเราจึงจะข้ามพ้นมันได้เสมอไปเพราะเหตุที่ทำให้ความปรารถนาหรือตัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดับไปได้นั้นยังมีอยู่อีกประการหนึ่ง คือความรู้และปัญญาเกิดจากภายในหรือที่เรียกในทางพุทธว่าวิปัสสนาปัญญาซึ่งได้แก่การที่จิตได้รับการอบรมจนกระทั่งได้วิวัฒนาการไปสู่ระดับที่ประณีตขึ้นจนกระทั่งสามารถย้อนกลับมามองข้างหลังและก็ไหลเห็นความเลวซามหรือความไม่มีแก่นสารของสิ่งที่ตนปรารถนาอยากได้อย่างดุนแรงในการก่อนได้ จิตที่ประกอบด้วยปัญญาที่เป็นวิปัสนาหรือในภาษาอังกฤษว่า Insight ที่แปลว่าความเข้าใจลึกซึ้งการเข้าใจอย่างท่องแท้จิตที่ประกอบด้วยปัญญาเช่นนี้จะเกิดความสลดสังเวชในความหลงผิดแต่เดิมของตนที่ได้เสียสละเวลาทยานอยากและไฟฟฝันในสิ่งอนันไร้าสาระเหล่านั้นและโดยในย่านี้ปัญหาสิ่งเช่นนั้นก็ดับไปเอง โดยไม่จําเป็นต้องรอให้ได้สมหวังจงกระทั่งเบื่อระอาไปเองซึ่งก็ไม่แน่นักว่าจะเบื่อได้ในเวลาอันสัน้นดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าตราบใดที่ความปรารถนาหรือตัณหาแม้น้อยหนึ่งยังมีเหลืออยู่แล้วมันก็จะเกิดแรงดึงดูดชักพาวิ ญ, ญญาณให้ไปสู่สถานการณ์แวดล้อมที่จะล่อหรือยั่วให้ตัณหาชนิดนั้นเติบโตลุกลามขึ้นมาอีกจนได้ กฎข้อนี้เป็นความจริงเสมอทั้งแก่มนุษย์ในโลกนี้และแก่วิญญาณทั้งหลายในโลกทิพด้วยเหมือนกันสรุปความก็คืออำนาจที่เป็นตัวการทำให้ต้องเกิดใหม่อีกเรื่อยๆก็คือความปรารถนาหรือความอยากหรือตัณหานั่นเองความเบื่อเทียม แต่เมื่อได้วิญญาณเริ่มรู้สึกถึงความไร้สาระของโลกและความอยากมีประการต่างๆที่ทำให้ติดข้องอยู่ในโลกและวัตถุเมื่อนั้นวิญญาณก็จะหันเข้าสู่แรงดึงดูดของธรรมชาติที่สูงกว่าโลกและวัตถุยิ่งขึ้นโดยลําดับความจริงข้อนี้อย่าเพิ่งนําไปใช้กับบุคคลส่วนมากในโลกมนุษย์ที่ชอบกล่าวเพลรว่าตนเองไม่มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกอีกต่อไปแล้วจริงอยู่ บุคคลเหล่านี้อาจจะพูดออกมาด้วยความจริงใจของเขาเท่าที่เขารู้สึกอยู่ด้วยจิตสำนึกในเวลานั้นแต่ถ้าพิจารณาดูจิตใต้สำนึกของเขาก็จะไล่เห็นความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นและแตกต่างจากที่เขากล่าวนั้นอย่างมากทั้งนี้เพราะส่วนมากการที่เขากล่าวว่าเขาเบื่อต่อชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนั้นมันมีความหมายแต่เพียงว่าเขาเบื่อชีวิตความเป็นอยู่แบบที่เขารู้จัก คือแบบที่เขาดำรงชีวิตอยู่เท่านั้นทั้งนี้หมายความว่าเขาเบื่อเพียงเฉพาะแบบเดียวหรือบางแบบที่ทาให้เขาไม่ได้รับความพอใจเต็มที่เท่านั้นแต่ถ้ามีความเป็นอยู่ของชีวิตในโลกแบบอื่นๆซึ่งจะทำให้เขามีประสบการณ์อื่นๆที่ดีกว่านั้นก็ไม่แน่ใจนักว่าเขาจะยังคงเบื่ออยู่อีกหรือไม่กล่าวได้ว่าสาหรับบุคคลประเภทนี้ ถ้าเขามีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นแบบอื่นๆซึ่งไม่ซ้ำกับแบบที่เขาเบื่อแล้วเขาก็คงจะต้องพอใจและติดข้องอยู่เหมือนดังเดิมนั่นเองเช่นถ้าเขาได้มีทรัพย์สมบัติมากกว่านั้นมีชื่อเสียงมากกว่านั้นมีความรักสมหวังยิ่งกว่านั้นหรือสามารถทำให้อุดมคติของเขาเกิดเป็นความจริงได้เช่นนั้น ๆ, ๆ, ๆ, ๆข เ, ขเขาก็คงจะไม่อยากจากโลกและชีวิตนี้ไปเลย ดังนั้นบุคคลประเภทนี้จึงไม่ใช่เบื่อชีวิตและโลกอย่างแท้จริงที่เขาเบื่อก็เพราะว่าเขาไม่ได้สมปรารถนาในความรักบ้างในทรัพย์สมบัติบ้างหรือในชื่อเสียงบ้างหรือไม่ก็ในร่างกายซึ่งไม่สวยหรือแข็งแรงสมใจเขาเท่านั้นเอง เสียงกระซิบของตันหาสำหรับวิญญาณในโลกทิพย์ซึ่งได้อยู่ไปนานพอสมควรก็จะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่ายิ่งขึ้นเพราะได้รับการพักผ่อนเป็นอย่างดีในระหว่างนี้วิญญาณก็จะลืมความทุกข์ยากและความเบื่อหน่ายต่อชีวิตที่ได้เคยรู้สึกมาแต่เดิมไปเป็นส่วนมากเพราะบัดนี้มีแต่ความเป็นหนุ่มสาวเต็มไปด้วยความหวังและโครงการ และมองไปข้างหน้าด้วยความสดชื่นทะเยอทะยานและก็เริ่มจะได้ยินเสียงกระซิบซึ่งอยู่ในห้วงลึกค่อยๆดังขึ้นอีกเสียงนี้คือเสียงเตือนให้ลงมือทำงานตามแบบที่เคยทำมาแล้วในโลกมนุษย์เป็นงานที่ยังทำให้สาเร็จสมใจดีเสียงนี้จะค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นพร้อมกับวิญญาณก็ค่อยๆถูกกระแสะแห่งโลกผัดพาเข้าสู่เกลียวคลื่นแห่งการเกิดใหม่ในโลกอีกตามเดิม ที่จริงความเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาของความรู้สึกเช่นนี้ก็ได้เกิดขึ้นกับเราบ้างเหมือนกันแม้ในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี่เองบางครั้งหลังจากทำงานหนักมาแล้วทั้งวันหรือว่าเป็นเวลานานๆเราจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจและรู้สึกเบื่อระอาทาให้คิดว่านี่เราจะทาไปเพื่อหาประโยชน์อะไรกันเรามีความคิดเกิดขึ้นมาว่าน่าจะได้หยุดเลิก และพอกันทีกับชีวิตและการงานแบบนี้แต่ครั้งเมื่อเราได้หลับอย่างเต็มอิ่มพักผ่อนอย่างเต็มที่เปลี่ยนอากาศหรือสิ่งแวดล้อมซิอย่างเต็มใจไม่เช้าเราก็จะเกิดความคึกคักกระชุ่มกระชวยอยากกระโดดเข้าสู่วงแห่งการงานอันยุ่งเหยิงแล้วรู้สึกว่ามองไปข้างหน้าด้วยความหวังอันสดชื่นอีกดังนั้นจึงได้กล่าวว่า บุคคลส่วนมากไม่ได้มีความเบื่อต่อโลกและชีวิตอย่างแท้จริงเลยแท้จริงนั้นเขาเบื่อชีวิตและโลกแบบนั้นเพราะต้องการชีวิตและโลกแบบอื่นๆมากกว่าอย่างน้อยก็ชั่วคราวความเบื่อของเขาเกิดจากอารมณ์ชั่วลัน่นคือไม่ได้เกิดจากปัญญาแท้จริงที่เรียกว่าวิปัสนาปัญญาและวิญญาณที่สวยสุขในโลกทิพย์ ก็เป็นเช่นเดียวกันนี้พ็ได้มีโอกาสเปลี่ยนสถานที่และสิ่งแวดล้อมหรือให้มีโอกาสได้สนองความปรารถนาที่ซ่อนอยู่วิญญาณก็จะกระโดดเข้าแสดงละครแห่งชีวิตต่อไปด้วยความยินดีทั้งๆ ท, ที่เคยคิดว่าตนเองเบื่อชีวิตแล้วนั่นเองคนเราเลือกที่เกิดได้หรือไม่ ข้อหนึ่งที่ยังมีผู้เข้าใจผิดเป็นส่วนมากก็คือเรื่องวิญญาณจะต้องเลือกหรือได้สิ่งแวดล้อมในการเกิดใหม่โดยตนเองไม่สามารถรู้สึกตัวล่วงหน้าได้เลยเรื่องเช่นนี้พอจะมีความจริงอยู่บ้างในเมื่อพูดถึงวิญญาณขั้นต่ำเพราะในระดับนี้การที่จะกลับมาเกิดใหม่ในสิ่งแวดล้อมอย่างใดรู้สึกว่าส่วนใหญ่จะเป็นไปโดยการบวงการของสัญชาตญาณแบบสัตว์ยรชานทั่ ว, วไป แล้วก็เป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวหรือไม่รู้ตัวล่วงหน้าเลยเรียกได้ว่าไม่มีโอกาสเลือกที่เกิดได้เลยโดยแท้แต่สําหรับวิญญาณที่มีความรู้และปัญญาในเรื่องทางวิญญาณที่เป็นวิปัสสนาปัญญาพอสมควรจะสามารถรู้สึกตัวได้บ้างอย่างน้อยก็เป็นรางๆคล้ายกับในความฝันซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างการหลับระยะที่สองคือก่อนจะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์ ในระหว่างสภาวะของจิตที่คล้ายๆกับฝันนี้วิญญาณจะสามารถเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดต่อไปกับตนได้รางๆแล้วก็สามารถจะตัดสินใจหรือคัดเลือกที่เกิดได้บ้างตามสมควรมากหรือน้อยสุด แ, แรงกรรมถ้าวิญญาณมีลักษณะเข้มแข็งและมีปัญญาในทางวิปัสสนาคุม้มครองตัวด้วยการเลือกที่เกิดก็จะสามารถกระทาได้รุนแรงกว่านั้น คือวิญญาณที่มีกำลังจิตขนาดนี้อาจจะสร้างสถานการณ์สำหรับให้ตนมาเกิดใหม่ได้ตามความปรารถนาด้วยก็ได้แต่ทั้งนี้จะกระทำได้มากน้อยเพียงใดก็ต้องสุดล่วแต่แรงกรรมของแต่ละคนด้วยเหมือนกันดังนั้นคำกล่าวที่ว่าคนเราเลือกที่เกิดไม่ได้จึงมีความจริงสำหรับวิญญาณขั้นต่ำมากกว่าวิญญาณขั้นสูงที่ได้บาเพ็ญบารมีมาบ้างแล้ว ตันหาหมายถึงความอยากในทางที่ดีด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวถึงอำนาจของความปรารถนาหรือตัญหาอาจเป็นตัวการทำให้วิญญาณต้องกลับมาเกิดใหม่อีกนั้นโปรดอยากเข้าใจว่าความปรารถนาหรือความอยากดังกล่าวแล้วจะเป็นไปในทางที่ต่ำหรือหยาบหรือเลวร้ายเสมอไปอันที่จริงในบางครั้งความปรารถนานั้น อาจจะเป็นชนิดที่ดีมากๆก็ได้ซึ่งในกรณีเช่นนี้เราอาจจะเปลี่ยนชื่อเรียกซสียใหม่ก็ได้ว่าเป็นความบันดาลใจหรืออุดมคติอันสูงส่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่เนื่องจากยังเป็นความปรารถนาในทางใดทางหนึ่งอยู่ดังนั้นอิทธิพลที่จะชักจูงให้วิญญาณเข้าถือกำเนิดในอัตภาพใหม่จึงยังต้องมีแฝงอยู่เสมอและเมื่อเป็นเช่นนั้น ก็จะต้องการกระทาเพื่อสนองความปรารถนาจนได้ความปรารถนาหรือตัณหานี้ได้แก่ความอยากที่จะมีอะไรบางอย่างที่จะทำอะไรบางอย่างและที่จะเป็นอะไรบางอย่างความหวังดีหรือความเมตตาแม้จะเป็นไปในระดับที่ไม่เห็นแก่ตัวก็ยังเป็นลักษณะของความอยากแม้ความต้องการอย่างอื่นอันมีอุดมคติที่สูงส่งเพียงใด ก็ยังต้องเป็นไปตามกฎนี้ดังนั้นความต้องการที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีความสุขโดยทั่วกันก็เป็นลนักษณะของความอยากหรือตัณหายางหนึ่งเช่นเดียวกับความต้องการที่จะเบียดเบียนผู้อื่นเหมือนกันโดยในย่านนี้จึงกล่าวได้ว่าวิญญาณชั้นสูงที่ไม่ได้มีความเห็นแก่ตัวได้ถูกแรงกรรมหรือความอยากพัดพาให้มาเกิดในโลกมนุษย์ เพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ถ้าว่าวิญญาณที่ดับความอยากลงได้จริงๆแล้วก็จะไม่ถูกแรงกรรมดึงดูดให้ตกกระแสรหรือเกลียวคลื่นแห่งการเกิดใหม่อีกท่านผู้รู้เช่นนั้นจะได้รับความดึงดูดจากกระแสเบื้องสูงอย่างเดียวกรรมของท่านเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อชักนำ ให้ท่านห่างออกไปจากโลกมนุษย์ยิ่งขึ้นทุกทีแต่นั่นละ่ะวิญญาณที่ได้บำเพ็ญบา ร, รมีถึงขนาดนี้มีน้อยเหลือเกินนานแสนนานจึงจะเกิดมีขึ้นสักพักหนึ่งส่วนมากก็จะต้องวนเวียนอยู่ในเกลียวคลื่นแห่งการเวียนเกิดเวียนตายครั้งแล้วครั้งเล่าไปก่อนจนกว่าเมื่อเวลาล่วงไปนานแสนนานวิญญาณ ต, าต่างก็จะพัฒนาไปจนถึงจุดที่จะไม่ต้องกลับมาอีก ในถนงเดียวกันเราทุกคนในโลกนี้และวิญญาณทุกดวงในโลกทิพย์ต่างก็กำลังเดินทางอยู่บนถนนแห่งการพัฒนาสายเดียวกันเป็นแต่ว่าเราจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางพร้อมกันเท่านั้นสำหรับผู้ที่มีคติในสัมปรยายพกว่าจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกจะเป็นเช่นไรนั้นขอเดียโปรดอ่านดูในบทต่อไปอันเป็นบทสุดท้ายของเล่มนี้ หากข้อความในบทนั้นมีตอนใดที่ท่านรู้สึกว่าจับใจหรือเข้าถึงใจของท่านหรือว่าทำให้ท่านเกิดความประทับใจอย่างประหลาดก็แสดงว่าท่านเริ่มเข้าสู่ทางสายที่จะไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกต่อไปแล้ว